50 languages. ขอร้องให้ทอะไรบางอย่างเยนนนาดูเลคลูคุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะนมเกนนะ อย่าให้สั้นเกินไปนะคะอาดเร่ตุมบาชิกกะดากีเบดาสั้นอีกนิดนะคะเดาเหตุตูยินโน่สวัลปาชิกกะดากีรัลิช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะนิมเกะิตรกระดน่สมศริสลูอาบุตตเดเยรูปอยู่ในซีดีค่ะ ชิตร์กลูซีดียัลลี่อีเวรูปอยู่ในกล้องค่ะชิตร์กัลูแคมเออร์ดัลลี่อีเวช่วยซอมนาฬิกาให้ได้ไหมคะนิม่าเกย์กัลียารวมโนรีเพริมาดลูอาวุฒิเดย์กระจบแตกก้าจูโดดูหกิเดแบตตอรี่หมด แบตเตอรี่ขาลีา่อเดช่วยรีเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะนิมเกอังี้แอนนูอิสตรีมาดลูอากุตตะเดช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะนิมเกะชารายแนนูโวเกียลูอากุตตะเดช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ นิมมะเก้พาดรักษากรัลนู้ิ่งเพมาดลูอาุตเยขอต่อบูหรีหน่อยได้ไหมคะนิมมะบัลลีเบงกีปุ่ตนะอิดยคุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะนิมมะบลลีเบงกีปุ่ตนะหรืวาไลท์เรอิดยคุณมีที่เขียบุหรีไหมคะนิมมะบลีแอสอิด คุณสูบซิก้าไหมคะนี่วูจุดตาเสดุตตีระคุณสูบบุหรี่ไหมคะนี่วูซิการเรตเสดุตตีระคุณสูบไ ป, ปไหมคะนี่วูไ ป, ป์เสดุตตีระ